125. ภิกษุผู้ถือเอาของที่เขาไม่ได้ให้ต้องอบัติปาราชิกด้วยอาการ6อย่างคือ 1. สําสำคัญว่าไม่ใช่ของของตน 2. ไม่ใช่ถือเอาด้วยวิสาสะ 3. ไม่ใช่เป็นของขอยืมทรัซับมีค่ามากราคาหมามาศหรือเกินกว่า5มาศก 5. มีทยจิตปรากฏ 6. ภิกษุจับต้องต้องอบัติทุกกฎ ทำให้ไหวต้องอาบัตทุลใจทำให้เคลื่อนที่ต้องอาบัตปาราชิก